ในเรื่องสัพปปยะส า, ญญาสมบัญย์สาหรับครือหัดนี่นะครับก็คงอาศัยตามแนวนี้แหละเพียงแต่ว่าแทนที่จะเป็นเรื่องของสมการเจริญธรรมะในระดับถึงกันเป็นการเจริญสมถารุปัสสนานั้นเนี่ยก็ลดลงมาแค่เป็นว่ากุศลเกิดไหมใช่พานใช่ไหมที่จะเป็นบุคคลถ้าจะคบกับบุคคลนี้เจรจากับบุคคลนี้แล้วกุศลเกิดไหมใช่พานถ้าสถานที่ไปตรงนี้แล้วกุศล เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเป็นอะไรนี้พอจะสงเคราะห์ได้ไหมอ่าได้คือถ้าพิสูจน์แล้วก็หมายความว่าต้องสองอย่างนั้นคือถ้าเป็นพระพิสูจนเนี่ยนะเน้นไปที่สมถาวิปัสนาท่านสมถาวิปัสสนานั้นจะต้องสัปพายะจริงๆจึงจัดหล่อเลี้ยงได้แต่ถ้าเป็นคารวะก็หาบุกเกี่ยวข้องกับทํำยังไงจริงจะไม่ล่วงอกุศลกรรมบทนรนะนะก็หมายความว่าสัพพายันเนี่ยเราก็เอามาสงเคราะห์ในเรื่องกุศลกรรมบท ถ้าสัปพายาจริงก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นอุตุไม่ว่าจะเป็นสถานที่นั้นก็ต้องอำนวยให้เกิดกุศลกรรมบุตรหรือบุญญากริยาวัตถุถูกไหมฮะนี่ได้เพราะคนที่มีอปัญญาที่บริหารเนี่ยนะที่มีนิปะกะปัญญาหรือว่ามีศาสกะสัม ป, สมปะสัญญะเนี่ยนะศาสกะสัมปชัญญะทําให้ เกิดสปายะสัมปัญญาได้นนะขนาดสาทธกะสัมปัญญาเนี่ยคํานึงแล้วว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะแต่ไม่สปายะร้อนเกินไปเป็นต้นเนี่ยนะที่จริงหลายๆเรื่องได้ดีหมดละเพียงแต่ว่าอากาศมันร้อนเกินไปแสดงว่าไม่สปายะสําหรับบุคคลนั้นอันบุคคล น, นั้นก็ต้องหาหาสถานที่ใหม่แต่ถ้าหากว่ามันหาไม่ได้ตรงนั้นดีที่สุดก็ต้องยอมรับนะี ก็ต้องเอาว่าหาแต่ส ป, ปายะอุตุส ป, ปายะอย่างเดียวเลยความรู้ธรรมะยังไม่มีอะไรเลยนะหาสถานที่ไว้ก่อนเนี่ยนี่ใช้ไม่ได้นะคือคือมีความเข้าใจอย่างละเอียดละออดีแล้วจึงหาสถานที่ที่เหมาะสมเกื้อกูลแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้ส ป, ปายะจริงๆอะ่ะก็เกิดร้อนเกินไปหนาวเกินไปนี่ต้องทํำยังไงนะวิริยะสังวรต้องเข้ามาใช่ไหมขันติสังวรเข้ามา ที่จะระนาวยนรกร้อนกว่านี้อีกโลกัตแต่ในรกนหนาวกว่านี้อีกอย่างเงี้ยนะก็ตรงนั้นเพื่อที่จะรักษากุศ ล, ลจิตต่อไปไม่ใช่โอ้อาการร้อนเกินไปเลยบ่นอิบเลยคันนี้มิจฉาวาจาเกิดขึ้นเลยเป็นอกุศลเลยคันนี้สมถะยว่าเลยนะมิจฉาวาจาออกมาแล้วกุศลศีลยังรักษาไม่ได้เลย ท, ที่คําอธิบายเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าสัมปชัญญะโดยมีสาทธะสัมปชัญญะเป็นต้นแสดงว่าหมายถึงสัมปญญะทั้งสี่ะจะเอาแบบนั้นก็ได้แต่ว่าโคจระสัมปชัญญะคือสมะถะใช่ไหมนั้นสมะถะก็ตรงจิตตังจิตตังปัญญัจะส่วนอสัมโมหะสัมปชัญญะก็ปัญญาปัญญััญญจะปาตัวนั้นก็เป็นวิปัสสนาอยู่แล้วนันเราก็ไม่ไมพูดซ้ำอีก แ ต, แต่ข้อที่สองนี้พูดถึงในยะที่สองอธิบายถึงกรรมฐานถ้ากรรมฐานก็เป็นโพเจรากับอสัมมวลได้เจนพาก็แสดงว่าเป็นแต่ก็คือเราก็อธิบายให้ส่วนที่เหลือเอาไปไว้ในข้ออื่นๆไปอัน น, นอยู่ไม่ให้อธิบายไม่ไม่อยากอธิบายให้คาบเกี่ยวกันแต่ที่จริงโดยคำแล้วเอื้อมถึงกันหมดเลยอันนเพราะว่าคำว่าสัมปชัญญะนี้สี่อย่างใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าเราพูดอย่างนั้นก็จะไปคาบเกี่ยวกับคําว่าจิตตังปัญญัาจะ อ, ะอะเจริญจิตและปัญญาอยู่ะนะก็จะไปไปเดี๋ยวคํานั้นไม่มีอธิบายเลยนะเพราะอธิบา ย, ยที่คำนี้หมดแล้วไหนเนี่นยคือสาธกเรื่องอย่างอื่นเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็ ได้อยู่แล้วได้ตั้งแต่ต้นอนะ่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าคนที่จะทําได้ขนาดนี้เนี่ยนะถ้าไล่ไปอีกคนที่จะเรียนกรรมฐานดีขนาดนี้คนนั้นเรื่องศีลเรื่องอะไรเนี่ยเขารู้มาเป็นอย่างดีแล้วอะไรเป็นอะไรนะรู้เรื่องประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์หรืออย่างน้อยที่สุดนะกรรมสกตาของคนนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะศีลกับกรรมสกตาเขาดีอยู่แล้วเขาจึงเจริ์อ่าปราลบกรรมฐานเพื่อที่จะออกจากวตฏ อย่าลืมว่าไอ้ที่กล่าวไว้ทั้งหมดเลยนะนับตั้งแต่การเรียนการสอบถามการเริ่มภาวนาวิธีมนติการกระทําโดยความเคารพสื่อมเนื่องต่อมาลักษณะนี้นะก็คืออะไรคือข้อปฏิบัติเพื่อต้องการพ้นจากวัตตะนั่นเองนั้นคนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์คือต้องการออกจากวัตฏะทีนี้เมื่อรู้จักส ป, ปายะแล้วก็ความเป็นผู้ฉลาดในนิมิตนิมิตแห่ง สมถะหรือวิปัสนาที่ตัวเองรักษานั่นแหละจะต้องแยกนิมิตอันนั้นให้ได้ถ้านิมิตแห่งขันจะต้องเป็นนิมิตแห่งขันก็ต้องขันนั้นจะต้องเป็นไปในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประเนี๊ยบใกล้ไกลใช่ไหมก็ต้องฉลาดในนิมิตเหล่านั้นฉลาดในอารมณ์ฉลาดในอารมณ์านั้นเลฉลาดที่จะคิดอารมณ์คือ ฉลาดในการปรารบอารมณ์นะไม่ใช่ให้อารมณ์เกิดขึ้นแล้วให้อารมณ์มันสอนนะไม่ใช่ไม่ใช่มใชสมมุติว่าเอา้าสีเกิดขึ้นแล้วสีมันจะบอกเราเองว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่นะเราต้องเข้าไปวิจัยว่าสีเขาเป็นอะไรเขาเกิดจากอะไรเพราะสีจริงๆอ่ะเขาเป็นอัพยา ก, กะตะเท่านั้นเองนะรอให้สีมันปรากฏแล้วสีมันจะบอกเองชั้นไม่เที่ยงนะไม่ใช่ลักษณะนั้นเลยแต่เป็นการเขา้าว่าสีเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยสีเนี่ยเกิดจากสมุทฐานอะไร สีนี่มีรูปกี่รูปอยู่ในนั้นแล้วสีเกิดจากสมุธฐานใดเกิดจากปัจจัยใดบ้างสีเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าไม่เที่ยงทําไมจึงไม่เที่ยงไม่ใช้โหเราจะเจริญวิปนะัสสนาพิจารณาคุณพ่ อ, อคุณพ่อก็อไม่เที่ยงวันไห น, นเมื่อไหร่คุณพ่อจะตายเงรหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะผิดอันนี้ผิดอย่างร้ายแรงมากรอให้สีนั้นแตกดับซะก่อนเออใช่เลยไม่เที่ยงอย่างเงี้ยบ้านไม่เที่ยงอ่ะต้องรอให้ไฟไหม้ก่อนหรือเปล่าจึงจะเชื่อเออเห็นแล้วไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่นะ เพื่อคือไม่ได้รอให้สิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงก่อนและจึงเห็นว่าใช่เนี่ยนะแต่เป็นการอย่างถึงเป็นการอย่างถึงอย่างยกตัวอย่างนะสมัมมเนรรูปหนึ่งเนี่ยท่านเรียนกรรมฐานในขณะที่ท่านก่อนจะบวชเนี่ยนะแล้วก็ขณะที่ปลงผมก็โกนมีดโกนจดแรกเคราะโซดาบันการพิจารณาที่จะบรรลุโสดาบันยังไงก็ต้องรู้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ท่านไม่ได้รอให้สีสันท่านเปลี่ยนสีก่อนนะท่านจึงเห็นว่าเออนี่ใช่เลยอนิจจังรอให้ท่านใกล้จับมรณาภาพก่อนจึงเห็นไม่ใช่นะแต่แกรกๆนั้นอนะ่ะเป็นพระโสดาบันแสดงว่าปัญญาของท่านยังถึงความเป็นอย่างนั้นคําว่ายัางถึงเนี่ยแสดงว่าฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วจึงยังถึงได้เพราะสามนเณรเหล่านั้นส่วนใหญ่ที่บรรลุตั้งแต่7จขวบเจริญกรรมฐานมาสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนประมาณสองหมื่นปีพอมาชาตินี้ไม่ยากนกะ ของเราเนี่ยนะปีนี้ก็ให้มันรอดเลนะศึกษาวิสุทธิมรรคให้จบนี่ก็ได้บุญไปตั้งเยอะแนละ้นไถ้าจบวิสุทธิมรรคแล้วก็แยกย้ายกันอยู่ได้แล้วไม่ไม่ไม่ในห่วงแล้วเนไหมเอารู้ทางเลยก็ไม่ยังถึงตามความยังถึงเนี่ยนะมันว่ายัางถึงตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆ้ น, น, นถ้าจะยังถึงว่าความไม่เที่ยงก็ไม่ต้องให้ความไม่เที่ยงปรากฏเอคือไม่ต้องให้สิ่งนั้น เปลี่ยนแปลงก่อนแต่เข้าไปอย่างถึงว่าธรรมชาติของสิ่งเนี้มันเท่าไหร่ธรรมชาติของสิ่งนั้นเนี่ยเมื่อถึงณจุดนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องปามาความเป็นจริงเจนพรตรงนี้เนี่ยจึงจะมีอะไรแห่งที่แปรหรือว่านํามาปฏิบัติเนี่ยแตกต่างกันตรงนี้ <Des mond. S 2> บางแห่งบอกต้องเห็นจริงๆก่อนเดี๋ยวนั้นบางแห่งบอก ไม่ต้องหรอกพิงแต่ว่าอย่างถึงเจริญพรใช่ไหมครับยกตัวอย่างนะสมมติถ้าคนที่อ่าอผู้เชี่ยวชาญด้านรถเนี่ยนะเขามองเห็นรถนี่เขารู้เลยว่ารถนี้อายุใช้งานเท่าไหร่ฟังเสียงนี่รู้เลยว่าเสียส่วนไหนบ้างเห็นไหมเขาเรียกว่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องรถรูปนามขันห้าเหล่านี้ก็เหมือนกันเป็นผู้ที่ชำนาญ น, นะนะชำนาญในเรื่องของรูปก่อนรู้ชำนาญในเรื่องสมุติฐานและปัจจัยของรูปอันนี้เป็นยาตาปริญญาเท่านั้นเองนะ ส่วนตีระปริญญาตีระแปลว่ า, าใครครวนหรือพิจารณาสัมมาสนาก็ใครครวนและพิจารณาพิจารณาว่าอย่างไรพิจารณาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงนะถามว่าทําไมเขาเจึงไม่เที่ยงเพราะเขามีแล้วไม่มียกตัวอย่างนะเอ๊ะทําไมไม่เห็นสักทีหนึ่งภาษาริบุตรท่านอุปมาเลยจะบอกว่าถ้าหากว่าจะไม่เห็นไม่เที่ยงในกายเนี่ยนะก็บอกขนาดโลกเนี่ยยังแตกทําลายเลยแล้วไอ้กายนี่จะไม่แตกทําลายได้ยังไงท่านก็ไปเอาเรื่องอื่นมาก่อน เพื่อที่จะอุปมาให้เห็นใช่ไหมนะอุปมาให้เห็นบางทีอย่างพระผู้มีพระภาคก็เห็นพวกฟองน้ำพวกตอมน้าเป็นต้นอะ่ะก็เอาอุปมาเหล่านั้นแล้วก็มาเทียบในการนี้เพื่อที่จะย่างถึงว่าไอาสภาพอันนี้ก็ไม่ต่างจากอันนั้นนักทั้นปัญญาพวกนี้เข้าไปอย่างถึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิจของปัญญานี้เข้าไปไค้ครวนทั้งหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าไปเห็นสันตติขาดไปต่อหน้าต่อตา อ, อ, อ, อย่างนี้ที่เราได้ยินบ่อยๆ อ, อย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไงครับเจนท่าสันตติมีเท่าไหร่จันติงสันตติมีเท่าไหร่สี่นะหนึ่งอา่อ า, อาต้องบอกว่าสันตติของอะไรก่อนใช่หมถ้าสันตติของรูปอะก็ต้องว่ารูปมีอะไรเป็นสมุทฐานถ้ามีกรรมเป็นสมุทฐาน ถ้ากรรมสมุทฐานสันตติเดียวจนตายนะท่านบอกไว้เลยว่ากรรมสมุทฐานสันตติเดียวจนตายาถ้าจิตเป็นสมุทฐานก็เอาวิถีเป็นเป็นต้นหรือเอาอารมณ์หรือเอาคุณมีศรัทธาหรือเวทนาเป็นต้นอันนั้นก็คือหนึ่งสันตติหนึ่งสันตติของเขาอันนั้นจิตตชื้ออาหารชรื้อรคก็เอาเป็นมือๆไปอาหารที่เป็นสภาวะเดียวกันอะไรเดียวกันเนี่ยอันนั้นคือสันตติของอาหารชรูป อ่าสันตติของอุตูชรูปอ่ะออุตูชรูปก็มีหลายอย่างนะไม่ใช่ไปรอให้มันปึงกันนะดีดเลยว่าจริงคิดๆอย่างนี้เออมันมีอะไรที่ขำๆลิ้มกันนะขำนี่มันขำแบบสังสงสารตัวเองนะเรานี่มันรู้อะไรบ้างเน้นึกๆอ่าทีนี้ต่อไปสันตติของนามนามมีสันตติอย่างไรนะยกตัวอย่างอ่าท่านเอาวิถีเป็นต้นนี่นะ สัน ต, ติของแต่ละวิถีก็นับว่าหนึ่งนึ่งสัน ต, ติเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีนะไปหารายละเอียดจากเรื่องว่าขันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันงั้นอดีตอดีตมีกี่อย่างปัจจุบันมีกี่อย่างอนาคตมีกี่อย่างนั่นแหละดังนั้นในอดีตอนาคตเนี่ยมีอดีตตะทาอันนี้โดยชาติเลยนะอตีตะสมัยอตีต สันตติและก็อดีตขณะเนี่ยนะสี่อย่างนี้ค่อยๆทําความเข้าใจก่อนนะก็ค่อยๆทาความเข้าใจให้ให้มันเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่แน่นะว่าไอเห็นอันนี้จังเพราะสันตติขาดใช่ไหมไอสันตติของท่านกับของเราบางทีอาจจะคนละอย่างกันก็ได้นีค่อยๆทําความเข้าใจก่อนขอมาตอนนี้ไม่ไม่รู้สึกรีบเลยเพราะมันรีบมานานแล้วก็เลยยังบางทีก็ก็เคยถามตัวเองเรื่อยๆตรงที่ว่า มันรู้สึกรีบมันจะบรรลุเดียวนี้ได้ก็จะบรรลุเดี๋ยวนี้เลยนี่ถ้าเกิดมีคนมาถามเลยนะว่าท่านจะบรรลุอะไรสงสัยอายเขาแย่เลยนะดียังไม่เคยมีใครถามเลยนะยังยังไม่น่าแตกเลยนะเขาบอกท่านจะบรรลุอะไรบรรลุอย่างไรบรรลุเมื่อไหร่ทําไมจึงต้องอยากบรรลุด้วยตอบไม่ได้สักอย่างเลยนะสงสัยเครื่องแน่นอนนักขามาถามแบบนั้นเนี่ยสงสัยเป็นศัตรูกันอีกหลายชาติเลยอาจจะพยาบาทนีดตกอาจจะเกิดขึ้นผูกเวรเลยนะ มาถามมาลองภูมิกันนี่คนไม่มีภูมินะมันคิดว่าคนอื่นเขามาลองไเรื่อยประมาณนั้นแล้วก็คนฉลาดในนิมิตนะที่พูดไปซะยาวเลยที่จริงก็คือเรื่องนิมิตนั่นเองว่าจะต้องรู้จักฉลาดในนิมิตนิมิตแห่งสมถะเป็นอย่างไรนิมิตแห่งวิปัสสนาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติวิวปัสสนานะศึกษาวิปัสสนาภูมิให้มันเข้าใจละเอียดละ อ, อีทุนก่อน เนี่ยนถ้าไม่เข้าใจแล้วมันปฏิบัติอะไรเพรามันปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเรื่องของการศึกษาศึกษาแปลว่าสิกขาสิกขาสิกขาคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติสายกลางในพุทธศาสนาคือการศึกษา แต่คําว่าศึกษานี่ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะผ่านหูเฉยๆโอ้ชันศึกษามาแล้วละ่ะผ่านหูมาแล้วออย่างนี้เขาเรียกว่าผ่านหูนะยังไม่เรียกว่าสุตตะด้วยซ้ําไปเพราะสุตตะมันต้องจําได้ะนะจึงจะเรียกว่าสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นต้นจําได้ไปแล้วจึงจะเรียกว่าสุตตะมันงั้นก็เรียกว่าผ่านหูแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจปัญญาเหมือนหน้าตักลุกขึ้นแล้วร่วงหมดเลยนะต่อไปนะ เป็นผู้มีสง่งเอ่อเป็นผู้มีตนส่งไปแล้วขนาดว่ารู้เรื่องเข้าใจอย่างดีมาหมดแล้วมีตนส่งไปแล้วเมื่อวานอธิบายว่าไม่เยื่อใยในกายและชีวิตเนี่ยนะไม่เสียดายกายและชีวิตแล้วใช่ไหมทุ่มเทให้ทั้งชีวิตและจิตใจอะต่อไปความเป็นผู้ไม่หดหูในระหว่างนะเพราะหดหูนี่เป็นชื่อของอะไรเนะ ทีนัมิทะเกิดแทรกในระหว่างในระหว่างเป็นต้นก็ต้องแยกได้งัถ้าจิตเปลี่ยนอารมณ์จากเรื่องนี้ปั๊บนี่ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะถ้าเปลี่ยนจากสมถานิมิตและวิปัสสนานิมิตหดหูท่อแท้ไอท้อนี่ไม่ได้ทําอะไรนะชักง่วงเลยนะเคลิมเลิมไปนี่เรียกว่าจิตหดหู่แล้วนะเคลิมเลิมไปวัดไปเรื่องอื่นนะพวกนี้หดหูแล้วนะท่านก็ต้องทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็สามารถแก้ได้นะต้องไม่หดหู และการยังความสม่ำเสมอการแห่งอินทรีย์ให้สำเร็จพอไม่หดหูแล้วแยกแยะปรับอินทรีย์ได้เลยอินทรีย์มีห้านะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธา ม, มากไปเพิ่มอะไรถ้าศรัทธา ม, มากเพิ่มปัญญาเข้าถ้าวิริยะมากเพิ่มสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศรัทธา ม, มากจะงมงายไปแต่ของเราดูถ้าจะไม่ค่อยเกินง่ายๆ ดูที่ออที่มันมันจะขาดไปหมดเลยนะ <c oughs> ก็ดูนะบอกว่าถ้ามีศรัทธา ม, มากจริงๆอ่ะพูดอะพูดโทย่ยางไงโอ้โหขนลุกชูชันโอ้ยคำนี้ตลอดแสนโกรธกลับยังหาได้ฟังยากอันน้ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยมันก็แสดงว่ายังไม่เกินง่ายๆหรอกเพิ่มให้มากๆเอไม่ผิดหวังแน่และปัญญาหละนะปัญญาก็ของเราก็ยังไม่เกินกันง่ายๆแล้วต่อไปวิริยะ เพียรกาจัดอากุศนอย่างเงี้ยเพราะอกุศนวิตกเกิดมากไอ้คนที่เกียรตอย่างเงี้แสดงว่าเวรยักก็ไม่เกินแล้วก็สมาธิละ่ะโอ้โหเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่อยู่แต่ในฌานอย่างเดียวนะจริงจะเรียกว่าเกินก็ไม่ไม่เกินแน่นอนสติก็ขาดเพราะฉะนั้นปรับอินทรีย์ให้สม่ําเสมอเนี่ยนะของเราไม่ต้องปรับหรอกยังไม่ต้องปรับหรอกเจริญอย่างเดียวว่างั้นทำยังไงให้มันมีสักอย่างก่อนนะนะให้มากๆ า, ากกใช้ได้แต่ถ้ามันมากๆแล้วเจริญกรรมฐานไปตามนี้เสร็จแล้วนะ ก็ดูว่าอะไรมันมากดูความยิ่งความหย่อนอ่าถ้าหากว่าอินทรีแต่ละตัวแต่ละตัวสม่าเสมอทำไงเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงกวางใจได้นะสติก็ทำหน้าที่ของสติวิริย ะ, ะปัญญาแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่ของตัวของตัวและอุเบกขาสามโพชฌงก็วางใจได้เจริญอุเบกขาสามโพชฌงไปก่อนแต่ถ้าหากว่าศรัทธาย่อนเอาเพิ่มอีก